พระตรัยปิฎกฉบับประชาชนพระตรัยปิฎกเล่มห้าหมวดที่หกโกสัมพิขันธกะหมวดว่าด้วยเหตุการณ์ในกรุงโกสัมพีเริ่มต้นด้วยเล่าเรื่องภิกษุสองรูปทะเลาะกันคือรูปหนึ่งหาว่าอีกรูปหนึ่งต้องอาบัตแล้วไม่เห็นอาบัตจึงพาพวกมาประชุมสวดประกาศลงอุเคปนิยกรรมแก่ภิษุรูปนั้น ต่างก็มีเพื่อนฝูงมากด้วยกันทั้งสองฝ่ายและต่างหาว่าอีกฝ่ายหนึ่งทำไม่ถูกถึงกับสงแตกกันเป็นสองฝ่ายและแยกทำอุโบสถแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงแนะนำตักเตือนให้ประนีประนอมกันก็ไม่ฟังในที่สุดถึงกับทะเลาะวิวาทและแสดงอาการกายวาจาที่ไม่สมควรต่อกันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตักเตือนอีก ภิกษุเหล่านั้นก็กลับพูดขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าอย่าทรงเกี่ยวข้องขอให้ทรงหาความสุขส่วนพระองค์ไปตนจะดำเนินการกันเองต่อไปพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสั่งสอนให้ดูดตัวอย่างทีฆาวุกุมารแห่งแคว้นโกศลผู้คิดแก้แค้นพระเจ้าโรมทัตแห่งแคว้นกาสีในการที่จับพระราชบิดาของพระองค์คือพระเจ้าทีคิติ ไปทรมานประจานและประหารชีวิตเมื่อมีโอกาสจะแก้แค้นได้ก็ยังระลึกถึงโอวาทของบิดาที่ไม่ให้เห็นแก่ยาวคือไม่ให้ผูกเวรจองเวรไว้นานไม่ให้เห็นแก่สั้นคือไม่ให้ตัดไมตรีและให้สํานึกว่าเวรย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวรจึงไว้ชีวิตแก่พระเจ้าพรมทัศ แล้วกลับได้ราชาสมบัติที่เสียไปคืนพร้อมทั้งได้พระราชธิดาของพระเจ้าพรมทัศด้วยทรงสรุปว่าพระราชาที่จับสัตราอาวุธยังทรงมีขันติความอดทนและโสระจจะคือความสงบเสงี่ยมได้จึงควรที่ภิกษุทั้งหลายผู้บวชในพระธรรมวินัยนี้จะมีความอดทนและความสงบเสงี่ยม แต่ภิกษุเหล่านั้นก็ไม่ได้เชื่อฟังจึงเสด็จไปจากที่นั้นสู่ภารกะโลนะการกะขามสู่ป่าชื่อป่าจีนวังสะโดยลำดับได้ทรงพบป่า ก, กับพระเทระต่างๆในที่ที่เสด็จไปนั้นในที่สุดได้เสด็จไปพำนักอยู่ณนคะวนไม้สาระอันร่มรื่นณนะป่าชื่อปาริเลยยกษกับ ในตอนนี้ได้เล่าเรื่องแทรกว่ามีพญาช้างชื่อปาริศเลยยกะมาอุปถัมภ์ดูแลพระผู้มีพระภาคเจ้าต่อจากนั้นจึงได้เสด็จไปยังกรุงสาวัตถีอุบาสกอุบาสิกาชาวโกสัมพีไม่พอใจภิกษุที่แตกกันเหล่านั้นจึงนัดกันไม่แสดงความเคารพไม่ถวายอาหารบิณฑบาตภิกษุเหล่านั้นได้รับความลำบาก ก็รู้สึกผิดชอบจึงพากันเดินทางไปกรุงสาวัตถีและยอมตกลงระ ง, งับข้อวิวาแตกแยกกันโดยภิกษุรูปที่เป็นต้นเหตุยอมแสดงอาบัติภิกษุฝ่ายที่สวดประกาศลงโทษยอมถอนประกาศพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสให้ประชุมสงสวดประกาศระ ง, งับเรื่องนั้นเป็นสังฆสามคัคคีเสร็จแล้วให้สวดปาติโมก อัหนึง่งทรงแสดงเรื่องสังฆสามาคัคคีคือความพร้อมเพรียงแห่งสงที่ไม่เป็นธรรมและที่เป็นธรรมโดยแสดงว่าการสามัคคีกันภายหลังที่แตกกันแล้วจะต้องแก้ที่ต้นเหตุวินิจฉัยเรื่องราวเข้าหาเรื่องเดิมให้เสร็จสิ้นไปไม่ใช่ปล่อยคลุมคลุมไว้แล้วสามัคคีกันอย่างคลุมคลุม เห็นได้ว่าตอนนี้แสดงเป็นประวัติไว้เป็นส่วนใหญ่ส่วนข้อวินัยเกี่ยวกับสงแต่กันในตอนนี้มีซ้ำกับที่จะกล่าวข้างหน้าในเล่มเจ็ดสังเฆเภทขันตกะคือหมวดว่าด้วยสงแต่กัน